คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้เห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยมีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่สังจมอยู่แห่งเชื่อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้น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 คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตอน้นพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชือ่อฟังจมอยู่ได้หรือแทรอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดเ จ, จ็บดตายนี้ ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์วิาาญญาณเขายังกลัวเรื่องความตายเพรารู้เพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นแต่โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและลาละสาเหตุถอดถอนสาเหตุ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 ย่อมเป็นไปตามหลักอย่างนี้บากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องปักใสออกมาแล้วก็ให้เกิดในที่สูงสูงต่างๆลุ่มลุมดอนดอนด้วยเหตุนี้พบอย่างสัตว์ในสามแดนโลกชาตินี้จึงไม่มีที่ว่าว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกัน มีอยู่ทุกแห่งผมเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในพบชาติของสัตว์แต่และชัช้นระผูไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้ยวยกันความที่มีพบชาติอันหยาบละเอียดก็เพราะอํานาจแห่งวิบัติของจิตแต่ละดวงและดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเท่านั้น พบยาบหยาบอย่างที่เราเห็นนี่คเส้น ส, สัตว์เส้นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตาเนื้อนี้เป็นพบที่หยาบพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตาเนื้อนี้แต่ยังเป็นวิสัยของกล้องที่จะสองเช็นกล้องจุิ่นละทัดมองเห็นได้เช่นเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นวิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่ง ไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งทั้งจีบพบนั้นๆตกอเพียดนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างการอันยาบนี้สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมันทั้งส่วนหยาบ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 พบยาบก็ทุกข์มากพบละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นพบที่มีบบุญแต่พบละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาสนอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตว์นรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็น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 ได้จึงมป็นสิ่งสำคัญมากที่กาวเบื้องต้นลบความเกิดแก่จ็ตตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โล ก, กทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ศาสต์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื้อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้ จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูน์ยืนยันกันหากไม่ใช่ธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูน์สิ่งที่ลึกลับสําหรับทิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจนรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบเมืม่อย่างชัดเจนแล้วดังมีในตำลักตำรายพวกเราเรียนกันสามารถมาไกลก่อน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 ในการพิสู่ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติทรรเช่นจิตตภาวนาเป็นสําคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสามารถตั้งแต่ยอดมันจะมาทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตภาวนา ที่แร ก, ก็กว้างขวางที่นาตามโลกการสงสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้แม้ว่าขันในมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในเหมือนกันทั่วแดนโลกธ า, าตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกับ ธาฐานและจิตใจของเหล่านี้กาที่จาณนณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยยิฐาธนาเป็นสำคัญคำว่ารากักว่าชังจิดโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชัง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 ไม่อยากชังไ ม, ไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธหากได้รักให้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทําจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตนความรักก็เป็นความต <c oughs> อกเพื่อจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธเรนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำละและสอนให้ชำละเพราะสิ่งนี้ทาจิตให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะสุขถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำอย่าโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเคลือบแฝงจิต อันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของตัของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากรบการร บ, บวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมาเ <c oughs> <c oughs> มื่อมีสาเหตุ ให้รักให้ชงังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจรารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุใดจึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจรารณาที่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธ ดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรกักสิ่งที่ถูกเปลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกียดไปโกรธสิ่งนั้นมีความจาเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมา จึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาพิจารณาเจนรักที่จะให้เกิดราคะตัณหาขึ้นภายในจิต ก, ก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าวิสภาคกันเป็นสำ้ำผันการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเองว่ามันน่ารักที่ตรงไหน น่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออุบายของปัญญาพี่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเปิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เพลาลงไปผ่อนลงไปความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆไปความเกลียดความขดก็ ไปจตามๆกันจนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นไปเองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธเพื่อความงูเงางูเข่าปัญญา <c oughs> ความงูเงา่าเข่าปัญญาของตนเท่านั้นจิต ก, ก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้ง ตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนทิน้นนี้จิตก็เพิ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับทีมควนใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกันกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอก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 คำว่าความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใด่ซึง่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเทาะใจพิจารณารูแจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปซ้ำขัญมั่นหมายไปจำหนิติชม สิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบจิความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กลายเป็นจิตซึ่จิตสงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบ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 จิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวถ้าพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเหมือ <c oughs> มีความสงบความร่มเย็นก็้นจิตใจที่เคยใส่ใจกับสิ่งภายนอก <c oughs> ถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องอเผาผานตัวเอง ท, ง, ทงทั้งๆที่สําคัญมาสิ่ง น, นั้นดีแต่ผลนของมันมาเพผาผลานตัวเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดั นางท่านสอนให้พิจารณาร่างกายอันเป็นสำคัญในขั้นขั้นราคาตัญหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนชราทังถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกภายในทุกสัทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลย ม, มัน คิดไปแบบรวมๆแรงๆสำคัญมั่นหมายไปแบบรวมๆแรงๆหาความจริงไม่ได้มันก็รู้ด้วยปัญญาของตนปัญญาซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะกาจัดสิ่งที่ปลอมทั้งหลายโดยความสําคัญต่างๆนั้นออกได้โดยลำดับจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันเมื่อจิตได้ลอยได้คลายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็บบา เบาในตัวเองเพราะไม่ยึดอุปาทานแปลว่าความยึดแปลว่าความแบกความหามภาระสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตเมื่อจิตเข้าไปแบกถามต้องเป็นทุกข์ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้นๆตอนๆ ต, ต, ตามกําลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัดอจัก คือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจิตายของจิตของตัวนี้ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัจธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมุนเวียนดังที่กล่าวมานี่รักให้ชังให้เปรียดให้โกรนี้มันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวกพรความหลงความหลงรักสงชังก็คือความหลงนะเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง แล้วก็ต่อยเข้ามาสลัดตัดทิ้งไปโดยลาดับเมื่อสลัดเข้ามาโดยลาดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดดึงที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้น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 ก็อย่างางซึ่งอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัด ก, กระแสของวัตถะที่จะพาให้หมุนเย็ยนไปเกิดเจ็เจ็บตายไม่พบน้อยพบใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ขออย่าได้คาดคะเน สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใดาถ่านัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นใต้เต็มตามความต้องการไม่ต้องไปเรียงลําดับลาดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาสังขารมิจารณั้นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขัด เป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัดคําว่าสัญญาก็คือความวาดภาพความสําคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวออกไปจากอีกไปเป็นเรื่องเป็นลาวประยุทธ์นั่นสําคัญนี้ สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับอั น, อนเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนาความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอื่นเท่านั้นเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภายในใจเหมือนกับแสงหิ้งห้อยพอย้อแยบแล้วดับไปดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มี มากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เิ็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสาระแก่สารได้ที่ตรงไหนสิ่งอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สักแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเิีญาณคือความรับทราบ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 มีแต่ความเกิดความดับนั่นจะเป็นสาระได้อย่างไรเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งหามันเป็นอาการอันหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปต่างหลับตามหลับธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกัน เราจะเอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์กลางตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัวอันจังตัวทุกข์ขันธนาตาอันเดียวกันล้วหาที่อยู่ที่วางตัวได้ที่ไหนที่ปลงใจได้ที่ไหนมันเป็นไปด้วยกองอั่างทุกขนันนาตาซึ่งเป็นเหมือนกุมจับหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นนี่คือปัญญาพิจารณาการพยายามีวงแคบเข้ามา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 ก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ <S <S ขั้นนี้ <S <S ขั้นนี้สิ่งละคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุกทเฉยเฉยทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่าแต่ทางจิตใจก็กําลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเช่นเดียวกันสัญญาสังขารมิญ ญ, ญาณก็เป็นแต่ละอาการอาการเป็นเราเป็นห้องล้าได้อย่างไงเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิต เหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเหลาเวลามีแสงสว่างก็ปรากฏเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่ว่าเห็น่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเหลาเห็นรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยเฉยจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างๆการรับราบทางอุจนะ ทั้งหกภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็เมาว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกำลังมืดมันไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปซะหมดทีนี้พอปัญญาได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปลอยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ตลอยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริง ไม่ใช่กำหนดปล่อยกำหนดวางเอาเฉยๆเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนปืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างงา่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันนี่เห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยวางและหมดกมัมวลกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกาย สู่รูปเสียงกลินโนตเครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลินโน้ตเครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมูกดิ้นกายว่าเป็นแต่อาการหรือเป็นแต่เงาอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจริงและมันตัดเข้ามาโดยลำดับึงกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา มันก็เป็นแต่ละอาการอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็หมดกังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนาสุขทุกข์เฉยภายในร่างกายก็เพราะทราบได้ ว, ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนากายสักแต่ว่ากาย ประจับใจแล้วหรือประจับปัญญาแล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการ ก, ารการันก็ทราบว่าเป็นเงาของจิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อยปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไปการค้นคว้าดูวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเย็ยนไปพลาให้เกิดแ จ, จ่บเจ็บตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปวงแคบเข้าไป นี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนพบรื้อถอนชาติความเกิดจากเก็บตายที่มีประจามจิตรื้อถอนด้วยอุบายของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้แล้ววกวนเข้าไปวกวนเข้าไปวงแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตเมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัว ย่อมจะมีแต่ความสว่างสวัยมีแต่ความเบามีแต่ความอ ง, งาอาจกระหายมีแต่ความสุขความสบายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายเหล่านี้จะเหมือนแล้วไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกัน ก็ทราบว่าร <S an> ่างกายนี <S an> ้เป็นสักแต่ว่าเรือนร่างอันหนึ่งที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นสักแต่ว่าร่างเรือนร่างของจิตแต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตน่ะสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งของจิต เท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนแล้วเหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัตจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่ลากฝ อ, อยรอบตัวตัดปรุงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามาลากฝ อ, อยได้แก่ความแตกแหนงของจิตที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางฝิ่นทางล ด, ดเครื่องสัมผัส และลากทางกูดเกียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็ น, นํำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นลากปลอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้จะจิตนั่นแหละที่นี่คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิด ไปตายในภพชาดน้อยใหญ่กันอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้ๆที่อยู่กับจิตกลมคืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะ บ, บันลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิตแต่ถือก็ถือเฉพาะผู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือว่า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 ความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นเป็นสุขวิชาสุขสมมติหรือสุขวีโมตปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอดแยกแยะสัมผัสสัมพันธ์ กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับยิเลยิยิ่งยเป็นหนึ่งอนเดียวกันกับธรรมเอากับจิจยกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอณิจังทุกขาตาเป็นหลักแห่งการพิจารณา เป็นแต่เทียงว่าเป็นต ร, รักะอันละเอียดตามส่วนของสมมุติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้นปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันฟาดฟันหันแหละกันลงมาด้จุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห อ, อ ก, กับจิตอันหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชือ้อเชื้อเดิมที่จะที่พาให้สัตว์เกิดจากเจ็บตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอดไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเอง เมื่อปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นั่นแล้วธรรมชาตินั้นแตกกระจายออกจากจิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอน้ากแก้วขึ้นมาพพวดเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดากใบมันจะตายไปพร้อมๆกันมเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัตจิตวัตจักรได้สลายลงจากจิตเพียงขนาดเดียวเท่านั้น นั่นแหละที่ท่านว่าวิมัตจิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดกเจ็ิญตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นนี่หลักการที่สูตจิตแค่สูตให้เห็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นมันหมดเชื่อซะจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุน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 ความเกิดอีกของเราจกไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดจเ็เจ็บตายอยู่มีอยู่ไม่ถอยได้ถูกถอนพวดขึ้นมาแล้วจากจิตเหลือแต่วิมุตติกิจเท่านั้นเองเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่หละความเกิดจเจ็เจ็บตายนั้นมันเป็นผลอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชือ้อเป็นเหตุอันสำคัญพาให้สัตว์โลกเกิดจเจ็เจ็บตาย คืออวิชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาริญานังจนกระทั่งสมุทรโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรธ โ, โหติดับตลอดสายออกมาเมื่อดับอวิชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้วอกิ่งก้านสาขาต่อไปของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันออกมาเหมือนอย่างนั้ น, นการพิสูจน์จิตพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิธีนี้ แล้วที่นี้คําว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นพ้าจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยวิเลศประเภทนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับคู่บอลถูกเตะปิ้งโน้นปิ้งนี้อยู่ไม่อยู่ไม่ถอยปิ้งไปพบนั้นปิ้งไปพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนพบจิตไปไม่ได้ไม่มีขอให้มีบาป ดีชั่วพาให้เป็นไปถึกเป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิบากคือผลแห่งความมีความชั่วที่มีในจิตนั้นและมีอวิชชาเป็นตัวการผลักดันสําคัญที่จะให้ทําดีทําชั่วท่านจึงเรียกว่าวัตตะกิเลสสวัสดสามกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมนะกิเลสคืออะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมก็อวิชชาเป็นเหตุให้ทํากรรมดีชั่วเมื่อทํากรรมแล้วผลทางกรรมย้องเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นย่อม ทำให้สัตว์ไปเกิดในที่สูงๆต่ำๆรุ่นรุ่นดอนมีสุขมีทุกข์เกี่ยวปลี่ยนไปตลอดวกเกีย่ยงกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงแตาขอบด้งทันว่ะนั่นตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบด้งเก่าแต่ไม่ทราบเป็นเป็นขอบด้งของเก่าแล้ววกไปเย็ยนมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำๆทักทราบด้วยการเกิดและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติ มันก็เหมือนมดแดงไต่ขอบดงนั่นเองทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะพันลงไปหมดแล้วจิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว <c oughs> สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิเลสประเภทที่ว่าวิชาได้ขาดสะบันลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นละ่ะการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะบั้นกันลงไป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 จิตเป็นธรรมทั้งดวงทำกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้ ว, ท, วท่านยังว่าธรรมโอปปีโป้ความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากพิเดเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นหัวเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไร สว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหน <S <S <S ถ้ามาเอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี่แทงทะลุไปหมดพระาทิตจะขึ้นพระาทิตจะตกไม่สำคัญแสงฟืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่า ง, า ง, างภายในปัญญานี้ได้กระจายตัวออกไปเถอะที่เละมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทาลายได้หมด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 พาทําให้อาภาพัพอาภาัพตลอดไปเราไม่ต้องการ ค, ความอาภาพัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภาพัพเราต้องการเป็นผู้มีความเศร้าสง่สงาผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉล า, าดให้รู้ทันปรมยาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดธรรมะตระสงสารจรึงต้องผลิดสติปัญญาขึ้นคตาความเพี่ยนไึ้มาให้เต็มผูกเราอยากเข้าใจว่ามากุณิภานอยู่กายภาคทวีบนน้นภาคทวีบนี้กิเลสดูกับหัวใจฉันดั่ มรรคผลนิพพานคือความเตียนโล่งจากกิเลสท่างหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอดกัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสุวขาตัวมกรตาธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้าลมไฟอากาศกลางหาวผู้ทิ่จะรับทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาบรับทราบบุญรับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัต เราไม่กินใครจะกินในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับไปด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างเดียวใจเมื่องโง่แล้วก็ต้องถูกที่เด็ดรอบหัวใจถ้าฉลาดมากน้อยอย่างไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉลาดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทําลายหมดไม่มีเหลือความมิเสศษวิสูไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นกิตดวงนี้ให้เต็มดวงเถิดทาเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะนั้นไม่ต้องถามที่ไหน อยงเรียกว่าพอตัวถ้ายังถามทีนั้นยังศอบนั้นยังศอบนี่เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอไปหลังแต่เรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันก็อิ่มโดยน้ำหนับเงินแบจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะไปอยากไปหิวอะไรที่นเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความหิวเป็นเรื่องของกิเลสยิงต้องได้แก้ความหิ ว, วนี้ออกด้วยอดด้วยทำนำธรรมเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจ ให้มีความแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่ภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามมาธรมะนอกาคนตาบอดเท่านั้นเลไปถามสวรรค์ที่ไหนนรกที่ไหนบาปที่ไหนบุญที่ไหนพรหมโลกที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อกิตได้วยสว่างกระจ่างแจ้งกังหมดแล้วมันตลอดตัวถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหน อก็เหมือนกับว่าเราถามเงาเราอยู่ที่ไห น, นเอาให้ถึงสิพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชาัดแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่ท้าจะเป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านนัเองมันจึงมืดไปหมดสิ่งนั้นมี ส, นนมสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างและปรากฏปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่ัเรียกว่าโลกกับอีถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะรัร โลกธาบโลกขันโลกความเกิดแก่เกียจตายโลกที่ดิ้นหารูลรองหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโลกวิถีอยู่แล้วล่อครอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้งตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าพายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะพิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยิบย่ำทำลายตัวเองลงในขณะเดียวกันพราอกิเลสไม่เคยเปล่อยช่องโอกาสให้ใคร นอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วฆ่าหัวกิเลสไปมรรผลไปสวัสดิพาพยาบังเราจะไปชิดจะไปฆ่าให้เสียเวลามีเวลานั่นคือปมหลอกลงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเยียบหัวนไปเลยสูนไปเลยยังยววนนชื่อเรียกว่านักรคจะคอยกิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะฆ่ามหมัวนไปแล้วคอยกิเลสตาด้ยวยก่อนแล้ว ไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางแล้วที่ไปกุศลากิเลส น, นอกจากกิเลสมันอักกุศลาธรรมาพระองค์นี้นะ ท, ทําไมถึงโง่นักนั่นเท่านั้นอ๋อมันถึงใชุ่ศลาธรรมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระบุตรเลี้ยงสอนขข่ท่านม่นได้สอนคนตายท่านสอนคนไป็นเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วเวลานี้ฝึกหัดคิดสติปัญญามีครับหุหงต้มแกงกินไม่ได้สติปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนํามาคิดเ่อแก้มาไขาสิ่งที่มันขัดข้องภายใจิตใจให้ทะลุปูผงไปทถ้ามา เป็นเรื่องของสติปัญญาเอาให้พอตัวเลยเมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามแล้วอะไรก็มเรียกว่าพอถามอะไรเสาะอะไรแสวงหาอะไรหิวอะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัจจิ ม, มาในหลักธรรมชาติมัจจิ ม, มาคือข้อปฏิบตัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัจจิ ม, มาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบกันลงได้ด้วยหลักของมัจจิ ม, มาแล้ว ผลคือมัรคมาเป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวออยู่โดยความสม่ำเสมอด้วยความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมรริมาใธรรมชาติแท้ก็ได้เก็บกิจที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนทะท่านเําคงทมก็ไม่ชุกชุกดูสุดหน่วง